วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ 12-13 เมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันที่สาธุชนพุทธบาิษัต์ ผู้ทีมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ร่วงลับไปแล้วเช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลายเพราะความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าเวลาคนตายตายเพียงร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่ออยู่ในรูปแบบของดวงวิญญาณถ้าดวงวิญญาณ ได้ทำบุญว้ยมากกว่าทำบาปดวงวิญญาณก็จะมีบุญส่งเสริมให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบาปก็จะส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในอบายมีแต่ความทุกข์ยากลาบากผู้ที่อยู่ในอบายนี้ ก็สามารถได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากลาบากได้จากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ญาพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ถ้าทาบุญทาทานก็สามารถที่จะส่งบุญนี้ไปให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในอบายเพื่อที่จะได้ รับการบรรเทาทุกความทุกยากลำบากด้วยบุญที่ได้ส่งไปนี้เพราะนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับจิตใจของทุกๆคนจิตใจของพวกเราทุกคนนี้แหละเป็นผู้ทำบุญหรือทำบาปแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญ ผลบาปต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะส่งดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในอบายไปอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอาศัรกายบ้าง ไปอยู่ในนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปว่าทำด้วยสาเหตุอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดว่าทำได้ไม่เป็นไรเช่นทำหมากินเลี้ยงชีพต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm. คิดว่าเป็นเรื่องจาเป็นเรื่องของการอยู่รอดต้องทำถ้าไม่ทำก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้ เราก็ทำบาปไปเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้อะไรมามากน้อยก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะอำนาจของความโลภความอยากนี้ เป็นผู้ที่จะคอยสร้างความ mm. หิวให้แกด่ดวงวิญญาณอยู่เรื่อยๆถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆ mm. ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวจองคำ เกียดชาวพระตาต่อตาฟันต่อฟันล้างแค้นกันก็จะไปตกนรกจะไปถูกไฟนรกคือไฟแห่งคาโกรธเกียด น, นี้เขาดวงวิญญาณอยู่ตลอดเวลานี่คือสภาพของดวงจิตดวงใจเวลาที่นั่งกายนี้ตายไปแล้วถ้าได้ทำบาปไว้มากกับบุญ บาปนี้จะเป็นผู้ดึงดวงวิญญาณนี้ไปสู่อาบายสี่ที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลอันใดแต่ถ้าทำบุญไว้มากกว่าทำบาปบุญก็จะดึ ง, ด, งดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันมีความสุขมากน้อยต่างกันไป ชั้นที่หนึ่งก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นที่สองชั้นที่สองก็น้อยกว่าชั้นที่สามตามลำดับไปจนถึงชั้นที่หกชั้นที่หกก็เป็นชั้นที่มีความสุขมากที่สุดความสุขมากที่สุดก็คือทำบุญได้มากที่สุดนั่นเองทำบุญน้อยก็จะได้ความสุขให้สวรรค์ชั้นต่ำทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงนี่คือสภาพของจิตใจ ที่เวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะต้องไปอยู่ในพบูมิต่างๆเหล่านี้นอกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วที่มีหกชั้นนี้แล้วยังมีสวรรค์ที่สูงไปเรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็มีแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันมีระดับรูปปัจจานกับระดับอรูปปานก็เรียกว่ า, ารูปประพรมหรืออรูปประพรม สวรรค์ระดับนี้จะไปได้จำเป็นจะต้องบําเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมจเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้และการที่จะสามารถปฏิบัติสมาธิได้จำเป็นที่จะต้องมีการถือศีลแปลดขึ้นไปเป็นอย่างน้อยหรือต้องถือศีลนักบวช สินแปดเพราะจาเป็นที่จะต้องระ ง, งับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้ที่เป็นความสุขส่วนหยาบเพื่อที่จะได้เข้าสู่ความสุขส่วนละเอียดที่เกิดจากการทำใจให้นิ่งให้สงบผู้ที่อยากจะไปฝึกสมาธิอยากจะเข้าฌานอยากจะไปเป็นพรหมต่อไปจาเป็นที่จะต้องถือสินแปดเป็นอย่างน้อย ศีลแปดก็ได้ศีล ส, สิบก็ดียิ่งดีศีลสองอยี่เจ็ดก็ยิ่งดีใหญ่ศีลเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้ใจทะเลทลไลหนีไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆให้ใจมุ่งตรงไปสู่การเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบ เมื่อใจนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิได้แล้วใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมหรืออรูปประพรมขึ้นอยู่กับความสงบว่าเป็นความสงบระดับรูปประชานหรืออรูปประชานสวรรค์ชั้นรูปประพรมนี้ก็มีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นอรูปประพรมเพราะความสงบของรูปประชานี้น้อยกว่าความสง บ, ส ข, อสงบของอรูปประชานั่นเองใจยิ่งสงบมากเท่าไหร่ ยิ่งเกิดความสุขมากขึ้นทพนั้นพระนอกรือจากสวรรค์ชั้นรูปประพมและอรูปประพแล้วยังมีสวรรค์ที่ย่างยืนถาวรกว่าสวรรค์ของรูปประพรมหื้อรูปประพรมคือสวรรค์ของพระอริยบุคคลสวรรค์ของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป สระโดาบันภระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ก็จะได้สวรรค์แบบเดียวกับสวรรค์ของรูปประพรมหรืออรูปประพเพียงแต่ว่าจะมีความยั่งยืนถาวรกว่าจะไม่เสื่อมสวรรค์ของพระริยาเจ้านี้เมื่อได้แล้วก็จะได้เลยจะไม่มีวันเสื่อมลงไปต่ำกว่านั้น ถ้ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะไม่มากลับมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปส่วนพวกที่ได้สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมจากการรักษาศีลจากการทําบุญทําทานหรือจากการฝึกสมาธินี้เป็นสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ที่ยังมีวันเสื่อมได้เวลาได้ทําบุญเวลาตายไปก็ไปรับผลบุญของบุญที่ได้ทําไว้ถ้าทําบุญทําทานรักษาศีลห้าได้ ปิประตูบายได้ไม่ทำบาปก็ะจะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพอยู่ได้ระยะหนึ่งพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งกลับมาทำบุญทำบาปกันใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าไปได้สวรรค์ชั้นพรหมก็เช่นเดียวกันบุญที่ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมก็มีมีเสื่อมได้หมดได้ ความบุญที่ส่งไปคือสติหรือสมาธิส่งให้จิตเข้าสู่รูปประชาหรือรูปประชาได้เสริมลงใจก็จะเลื่อนลงมากลับมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และทุกครั้งที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายไม่ว่าจะกลับมาจากสวรรค์ชั้นพรมก็ดีสวรรค์ชั้นเทพก็ดี หรือกลับมาจากอบายก็ดีแม้แต่อบายนี้ก็บาปที่ทำไว้ก็มีเวลาหมดได้เมือ่อบาปสงบาปที่ส่งไปให้เกิดในอบายหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่ลงมาจากที่สูงคือสวรรค์นี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามหน้าดูน่าชมผิวพรรณผ่องใส มีฐานะการเงินมั่งคัง่งมั่งคงไม่ทุกยากไม่อัตคัดขัดสนมีร่างกายที่มีอาการครบสามสิบสองโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอายุยืนยาวนานเป็นตน้นมี่คืออานิสงส์ของผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ดีสวรรค์ชั้นเทพก็ดีะจะเป็นผู้ที่มาเกิดแบบมีบุญมีวาสนาติดมาด้วย ส่วนพวกที่มาจากบารอยพวกมาจากการเป็นเดรัจฉานกดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุลกายก็ดีหร้อมาจากนรกก็ดีพวกนี้ก็จะมาแบบเป็นผู้อาพัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่น่าดูหน้าชมอาการไม่ครบสามสิบสองฐานะการเงินการทการทองที่ยากจนอัตคัดขัดสมสุขภาพไม่แข็งแรงอายุไม่ยาวนานเป็นต้น นี่เป็นผลของบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้นล้วจะส่งผลตั้งแต่ดวงวิญญาณตั้งแต่ร่างกายตายไปใจที่มาครอบครองร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปอยู่ตามอํานาจของบุญของบาปจนการ บ, บุญหรือบาปนั้นหมดกําลังลงก็จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาทํา บุญทำบาปตามที่เคยได้ทำไว้ในพบก่อนๆพวกที่ลงมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาทำบุญทาทานต่อมารักษาศีลต่อพวกที่มาจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลับมาเป็นนักบวชกันไปไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปดศีลสิ 8, สกันส่วนพวกที่มาจากกบายก็จะมาทำบาปทำกรรมต่อไปอมาลักเล็กขโมยน้อยมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มาเสกมาบายามุกต่างๆเป็นต้นนี่คือที่มาของบุคคลต่างๆที่เราพบเห็นกันในโลกนี้ทำไมเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ทำไมมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่าบุญและบาปของแต่ละคนที่ได้สะสมมาในอดีตชาตินี้มีมาไม่เหมือนกันผู้ที่สะสมทำความดีมาเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทาความดีต่อผู้ที่สะสมทาบา ทำความไม่ดีมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาป ท, ทำความชั่วต่อไปแต่การพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เรามาเกิดด้วยว่าเป็นบุคคลแบบไห น, น mm. เช่นถ้าเรามาเกิดในครอบครัวของคนดีของคนมีศีลมีธรรมครอบครัวนั้นเขาก็พยายามที่จะชักจูงเราให้เราไปในทางที่ดีกับเขา mm. ถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีครอบครัวที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาก็จะดึงเราไปในทางของเขานี้เราจะไปหรือไม่ก็อยู่ที่สันดานของเราบางคนที่มีสันดานไปในทางที่ดีถึงแม้จะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีก็ยังสามารถต้านอิทธิพลของขอครอบครัวที่ไม่ดีได้ถ้ามีสันดานที่ดีติดฝังอยู่ในใจก็จะไม่ทําตามที่ ครอบครัวนี้ชักจูงให้ไปทําก็ได้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีสันดานเชั่วอยู่แล้วถึงแม้ไปเกิดอยู่กับครอบครัวที่ดีที่พยายามชักจูงให้ไปในทิศทางที่ดีก็ไม่ไปก็ได้เพราะสันดานนี้มันมีกํำลังมากกว่าอิทธิพลของของครอบครัวหรือบุคคลใกล้ตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัว คนชั่วไม่ใช่หมายความว่าจะต้องชั่วไปตลอดคนดีไม่ได่หมายความว่าจะต้องดีไปตลอดคนดีก็สามารถเปลี่ยนปเป็นคนชั่วได้คนชั่วก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นคนดีได้ก็อยู่กับจิตสำนึกว่าตนเองเห็นคุณเห็นโทษของความดีหรือความชั่วหรือไม่ถ้าเห็นการกระทความชั่วนี้นําแต่ทุกข์นําแต่เรื่องปัญหาต่างๆมาก็อาจจะปรับเปลี่ยน อันดากตับเปลี่ยนนิสัยของตนให้ไปทำความดีได้คนที่คนที่ไม่ความช่วยเห็นโทษของความช่วยเห็นความโทษของความไม่ดีก็อาจจะหลงไปทำจากการจากคนดีก็อาจจะกลายเป็นคนไม่ดีได้ถ้าไปอยู่กับกลุ่มของคนไม่ดีชี้ชัจุงให้ไปทำในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปของกรรมของแต่ละบุคคล ที่จะพลิกไปพิกมาแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่บุคคลที่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับกันที่เวลาเขามีอิทธิพลครอบงำเราเราจะสามารถน้อมตัวเราให้ไปตามเขาหรือฝืนเขาได้หรือไม่ถ้าเรามีนิสัยดีถึงแม้จะมี รครอครัวและบุคคลไม่ดีรอบล้อมเราชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อาจจะไม่ไปก็ได้เช่นเขาชวนเราให้ไปทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเดินชุลายามเมาไปเสพอบายามุขแต่ถ้าสันดานหรือนิสัยของเราไม่ชอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วถึงแม้เขาจะชวนเราไปเราก็ฝืนเราก็จะไม่ไปแต่ถ้าเราเป็นจิตใจที่อ่อนแออยู่แล้ว เลาใครชวนให้ไปทำอะายก็ไปไปได้ทั้งสองทางชวนให้ไปทำดีก็ไปชวนให้ไปทำบาปก็ไปอันนี้ก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้คนเหล่านี้เป็นคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างแล้วก็มาสร้างบุญทำบาปมาสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วก็มาเวยไนวาตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาเกิดในยุคที่มี พระพุทธเจ้ามาตัดสัต์ ม, มีพระธรรมคำสั่งคำสอนที่จะสอนบอกเรื่องของการทาบุญเรื่องของการทาบาปว่ามีผลตอบผู้กระทาอย่างไรและเรื่องของการทำละพพรักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ว่ามีกระทาให้จิตใจที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มานานแสนา น, นานนี้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าใครก็ตามถ้าได้มาสัมผัสรับรู้กับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนอก็อาจจะสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เ<อ>มื่อได้ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็จะสามารถ<อ>พัฒนาจิตใจจากจิตใจที่เป็นปุถุชนให้กลายเป็นจิตใจของพระอริยบุคคลขึ้นมาก็ได้ พัฒนาตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต้นก็พัฒนาตามที่ทรงสอนให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลห้าไปก่อนจุดเริ่มต้นของการทําความดี mm hmm. ทําบุญทําทานตามกําลังของเรา mm hmm. อย่างเช่นวันนี้เป็นวันสงการานต์ mm hmm. เราคิดถึงพระคุณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว mm hmm. อยากจะให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี้อยู่ดีกินดีอยู่สุข mm hmm. อยู่สบายป่าที่เป็นอยู่ เราก็สามารถทําบุญอยู่ทิศไปเผื่อไว้เผื่อท่านไปตกอยู่ในอบายท่านก็จะได้รับสิ่งที่เราส่งของได้รับบุญที่เราส่งไปบุญนี้ก็เหมือนกับของที่เราส่งไปให้กับผู้ที่อยู่ในเรือจนจําคนที่ไปติดคุกติดตารางนี้ครับก็อาจจะอยู่อย่างอัตคัดขัดสนถ้าเราส่งของจําเป็นเครื่องใช้แม่สอยไปให้ก็จะช่วยบรรเทา ความอัตคัดขัดสนให้กับผู้ที่อยู่ในเรือนจําได้ฉัน้นใดผู้ที่ไปตกอยู่ในอับายก็แบบเดียวกันไม่ไม่มีบุญนี้แต่บาปเลยไม่มีสิ่งที่อำนวยความสุขความสะดวกให้กับใจแก่จิตใจแก่ดวงวิญญาณแต่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างพวกเรานี้เราสามารถช่วยบางเท่าความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได้แล้วก็เป็นการพัฒนายกระดับจิตใจของเรา ให้ดีขึ้นด้วยการทําบุญทำทานการรักษาศีลห้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกผันจิตใจของเราจากการจากจิตใจที่ไม่ดีมาเป็นจิตใจที่ดีดีขึ้นตามลำดับการต้นการรักษาศีลห้าทบุญทำทานไปตามตามโอกาสตามเวลาตามวันที่สำคัญต่างๆเช่นวันวันสงการวันปีใหม่วัน วันสำคัญทางพุทธศาสนาอะไรเป็นต้นเหล่านี้เราก็ฝึกขัดทำบุญทำทานไปพร้อมๆกับการรักษาศีลห้าไปจิตใจเราก็จะมีบุญเพิ่มมากขึ้นบาปที่เรามีก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้ถ้าเราทุนทำบุญมากกว่าบาปเราก็จะมีบุญมากกว่าบาปถ้าเราตายไปเราก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต้นก่อนสวรรค์ชั้นเทพ ถ้าเราฝึกขาดต่อไปแล้วเราอยากจะขึ้นไปที่สูงกว่านี้เราก็สามารถฝึกขัดในวันพระอาทิตย์หนึ่งก็หาเวลาสักวันหนึ่งวันหยุดทํา ง, งานนี้มาฝึกขาดยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากระดับเทพไปเป็นสูตรระดับพรมด้วยการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8แล้วก็อยู่วัดสักหนึ่งวันเอาเวลา ที่อยู่วันนี้มันจรินสติมาคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเพราะการที่เราจะให้ใจสงบนิ่งเข้าฌานได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้เราจะเบนจะต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่ยเปื่อยไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ไม่จำเป็นต่างๆคิดได้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดแต่ถ้ามาอยู่วันแล้วก็จะไม่ค่อยมีเรื่องให้คิดเท่าไหร่าะสามารถที่จะควบคุม ความคิดไม่ให้คิดอะไรได้เลยตลอดทั้งวันช่วงเวลาไหนที่มีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิหลับตาถ้ามีสติต่อเนื่องก็จะสามารถควบคุมความคิดให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ั้นต้นสมาธิก็จะเป็นสมาธิแบบคณิกะคือสงบชั่วขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาเพราะกำลังของสติยังมีไม่มากพอแต่พอเราเริ่มเห็นคุณค่าของสติว่าสามารถ พลิกใจจากใจที่ไม่สงบจากใจที่วุ่นวายให้มากลายเป็นใจที่นิ่งสงบเป็นใจที่มีความสุขอันมหัศจรรย์ได้ก็จะทำให้เกิดมีกําลังใจมีศรัทธาที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการกับการเจริญสติให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาเวลามานั่งสมาหลังจากเจริญสติแล้วก็สามารถมานั่งสมาธิได้ถ้าสติต่อเนื่อง ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่สงบความสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นพ อ, อเห็นผลว่าสตินี้เป็นตัวที่สำคัญในการที่จะผลิตความสุขคือความสงบของใจนี้ก็อยากจะมีเวลาให้กับการกำลังสติให้มากขึ้นก็อาจจะหาเวลาเข้าวัดเพื่อปฏิบัติทำให้บ่อยขึ้นตอนต้นก็อาทิตย์ละวันต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันสามวันทาไปเรื่อย ถ้าได้ผลดีมากขึ้นตามลำดับในที่สุดก็อาจาจะอยากจะอยู่วัดไปตลอดเลยก็ได้อยากจะออกบวชเพราะไม่มีความสุขัใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ถ้าได้สัมผัสกับความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วจะไม่อยากจะไปสัมผัสกับความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสเด็กต่อไปนี่ก็เป็นที่สุดที่จะดึงใช้จิตใจนี้ขึ้นสูง พอจิตใจสามารถเข้าสู่สวรรค์ชั้นเทพได้แล้วขั้นต่อไปก็สามารถขั้นสวรรค์ชั้นพรมได้แล้วขั้นต่อไปก็สามารถพลิกใจให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นอริยบุคคลได้ mm hmm. การจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นอริยบุคคลก็ต้องมีการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาคือการพิจารณาให้เห็นอริยรรสัจ4ีให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากปัญหาความอยากต่างๆ แลการที่จะทําให้ตันหานี้หายไปก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ตันหาอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นหลวงเป็นทุกข์หลวงเป็นอนิจจังลว้วนเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์เองแต่ว่าข้อโมหะความหลงทําให้เรามองไม่เห็นเห็นกลับตาลปัดเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดลง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกเราในวันนี้วันใดวันหนึ่งในวันข้างหน้ามันก็จะเสื่อมไปหมดไปได้เวลามันเสื่อมไปหมดไปความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราศึกษาด้วยปัญญาจะพิจารณาด้วยปัญญาต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วเป็นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราว มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพอเราเห็นความเกิดดับเห็นความทุกข์ของสิ่งต่างๆเราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่อยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับลำดับแรกก็ลำดับของพระโสดาบันกำจัดความอยากต่างๆในระดับของร่างกายในเรื่องของความแก่ความเจ็บ แล้วก็ระดับต่อไปก็กาจัดความความความอยากในรูปในความสวยงามของร่างกายออพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่เป็นของสวยงามเป็นอสุภะมีอาการสามสิบสองเป็นต้นก็จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปร่างหน้าตาของคนอื่นได้แล้วขั้นต่อไปก็ไปกำจัดความอยากในอารมณ์ต่างๆของใจที่มีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถควบคุมให้ใจมีอารมณ์ที่สงบเพียงอย่างเดียวได้ใจก็ยังต้องอยู่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบกับใ จ, ใจกาสามารถที่จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้หมดเอสิ่งต่างๆถูกกําจัดได้หมดใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพอใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป เพราะเหตุที่พาให้ใจไปเกิดก็คือความอยากต่างๆที่ได้ใช้ปัญญาได้ใช้วิปัสสนาใช้ใจรักษอานิจจังทุกขังอนัตตาใช้อริยสัจสีนี้เป็นเครื่องมือในการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดสิ้นไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในใจก็หายไปหมดใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สงบที่เรียกว่าวราเราสงบด้วยความสงบ ด้วยความสุขที่เป็นบร ม, มีสุขนิ่บานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นบร ม, มีสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะทําให้จิตใจหรือดวงวิญญาณนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขจากโลกต่างๆอีกต่อไปอใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะร่างไม่ต้องมาทุกกับการมีร่างกายกต่อไป ถ้าตามดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์จากร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แต่พอไม่มาเกิดแล้วความทุกข์ที่จะเกิดจากร่างกายที่แก่เจ็บตายก็จะไม่มีต่อไปใจก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอนันต์หลังจากที่พระพุทธเจ้าและพระอนันต์ได้ได้ไปถึงนิพพานแล้วท่านก็กลับมาสอนพวกผู้ที่ยัง ไปไม่ถึงปานิพานว่าไปอย่างไรถ้าอยากจะไปก็ให้ศึกษาให้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดีทำเชั่อได้เชื่อถ้ายังมีความอยากอยู่ใจก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปก็ต้องชำะระซักพ่อจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ การทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงมรรผลนิพพานนี้ก็มีอยู่สาข้อเท่านั้นเองคือให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ใจของเราในวันข้างหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์าัศวรอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องธรรมะ ที่เกี่ยวข้องกับวันสงการนี้เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะในลําดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมาเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมกันด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติแะเลื้อู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดอารมณ์กรกรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ในวงปฏิบัติที่เราใช้กันทั่วไปก็คือทําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกถ้าเรายัางเวลานั่งสมาธิใจเรายัางคิดฟุ้งซ่านอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อน นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจใช้การสวดมนต์เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์กล่อมใจไปก่อนพอใจเริ่มสมบงบแล้ครับจากความคิดฟุง้งซ่านสามารถมาดูลมได้หรือสามารถบริกรรมพุทธโธได้ถ้าเปลี่ยนมาดูลมหรือมาบริกรรมพุทธโธแทน พอมาเปลี่นมาดูลมหรือพุโทโธแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกต่อไปพยายามบังคับใจด้วยสติให้แล้เลิกรู้อยู่กับลมหายใจหรือแล้วเลิกรู้อยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามีอะไรเข้ามาในใจก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามามีภาพเข้ามามีความรู้สึกเข้ามามีอารมณ์อะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีก็ตาม ถ้าอยากไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วจะทิ้งกรรมฐานเมื่อทิ้งกรรมฐานแล้วใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้สิ่งที่เราต้องการก็คือสมาธิเพราะผลที่เกิดจากสมาธินี้เป็นผลที่ดีที่สุดดีกว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏระหว่างเวลาที่เรากําลังนั่งสมาธิอยู่พยายามอย่าไปสนใจกับสิ่งอะไรที่มาปรากฏปลุกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวให้เ ล, ลึกรู้อยู่ ก, กรรมฐานเพียอย่างเดียว ดูลมก็อยู่กับลมไปอย่างเดียวพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วใจก็นิ่งเบาสบายไม่ต้องควบคุมบังคับอีกต่อไปใจไม่คิดไม่ไม่ดิน้นไม่อะไรใจนิ่งสงบใจมีความสุขอันนี้แหละคือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเราต้องการสร้างความสุขให้กับใจก่อนให้ใจมีพลังมีกําลังเวลาที่จะไปใช้ปัญญาเราจะได้มีกําลังสู้กับ กิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูของใจที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าใจไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้แต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วแล้วมีปัญญารู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็คือกิเลสตัณหาก็สามารถหยุดกิเลสตัณหาได้เล ย, ยในเบื้องต้นนี้เรามาฝึกสมาธิกันก่อนด้วยการเจริญสติให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานไปเรื่อย กาดจะหมดเวลาของการนั่งสมาธิวันนี้เราจะนั่งกันประมาณทั้งยี่สิบเจ็ดนาทีตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกกดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบ ด, ดีไหมถ้าสงบ ด, ดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ คราวหน้าเวลามานั่งต่อก็จะใช้วิธีนี้ทำให้ใจสงบได้เลยถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยควรฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้มากขึ้นเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาเืตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้น เวลานั่งสมาธิก็จะสงบไดง่ายขึ้นได้นานขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พอเลยยะทาวาเลวาหะปุราปิริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตชินังเปตานังอุ ป, ปการปฏิอิชิตังปะทิตังตุนหังคิดเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสพิเิโยวิวาจันโุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตาายสุภิธิกายุโกภวะ อาภีวาธนสีมิตาหิจยังุทธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังอาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 273ท่านทาง YouTube พระอาจารย์270ท่านทาง y youtube ด ร, รวี33ท่านครับเ้า5ท่านวิดีโอออนไลน์3ท่านนากกุติ237ท่านรวมทั้งหมดเป็น821ท่านเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานนกกุติถามเข้ามาว่ากลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมพยายาม เลียนที่จะไม่ใส่บาดวันพระเพราะวันพระมีอาหารมากมายแต่วันธรรมดามีพัะตาหารน้อยจึงเลือกวันธรรมดาที่ใส่น้อยๆอย่างนิยมคิดและทําถูกต้องเหมาะสมใหม่คะก็ได้ทั้งนั้นนหะทําวันไหนก็ได้บุญเหมือนกันเท่ากันแล้วแต่สะดวกอย่าไปวุ่นวายกับมันมากจนเดี๋ยวหาวันใส่ไม่ได้กแล้วกัน คำถามจากนะักว เ, เจัยค่ะมีสองข้อข้อที่หนึ่งถ้ารับอาหารที่พระสงฆ์ฉันหรืออนุญาตให้เรามารับประทานที่บ้านจะเป็นบาปไหมคะถ้าบาปจะแก้ไขยอย่างไรคะของเทพาเหลือแล้วท่านแจกให้ญาติโยมนี่กลับไปบ้านได้ถ้าอยากจะกลับไปบ้านไม่บาปแต่อย่างไดเป็นทานเป็นทานของพระให้กับญาติโยม จา้าค่ะข้อที่สองหากเคยมีวาจาล้อเลียนต่อพระอริยเจ้าด้วยความไม่รู้จะมีกรรมอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรดีบ้างคะก็ถ้ารู้ก็อย่าทำรู้เองจา้าค่ะมีฝากถามค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะหากเรามีสมาธิในการทำงานถือว่าเราส่งจิตออกนอกเป็นผลไม่ดีต่อจิตหรือเปล่าคะ ถ้ามีสมาธิมันก็ไม่ออกนอกถ้ามันออกนอกก็มันก็ไม่มีสมาธิการการทำงานนี้ม่ไม่ได้มีสมาธิหรอกมันมีสติเท่านั้นเองสมาธินี่มันต้องนั่งเฉยๆหลับตาแล้วไม่คิดอะไรถึงจะเป็นสมาธิได้แต่ถ้านั่งทำงานไปนี่เรามีสติอยู่งานที่เราทำนี้เรเรียกว่ามีสติไม่ใช่เรียกว่ามีสมาธิแต่ท้งโลกเขาใช้คาว่าสมาธิแทนสติกัน เลยงงกันกวลดาบอกให้มานั่งสมาธิก็ะลยคิดว่าฉันมีสมาธิแล้วนี่แต่ไม่ต้องนั่งก็ได้วิปัสสนาเลยก็ได้อันนี้มันไม่ใช่ก็มีสติแต่เรายังไม่มีสมาธิจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบยังไม่รวมยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิไปพิจารณาทางปัญญาก็ไม่มีกาลังสู้กับกิเลสแต่คนสมัยนี้คิดว่ามีสมาธิแล้ว เ, เขาเข้าใจว่าคําว่าสมาธิก็คือการมีสติอยู่งานที่กําลังทําอยู่แต่คามจริงมีสติยังไม่เพยียงพอที่จะทําให้จิตสงบ ต, ต้องมานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวเจนกว่าจิต็ะสงบนิ่งอย่างนั้นเชิงเรียบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วเวลาไปพิจารณาทางปัญญาพิจารณาว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็สามารถดับมันได้เลย เจ้าค่ะจากทางยูทูบพิธีการย์เจ้าค่ะคุณบุตรราคําหอมจำปาถามเข้ามาว่าระดับโสดาบันหากฝึกสติสมาธิได้ถึงระดับที่ตั้งมั่นในระดับหนึ่งอาจจะไม่เก่งมากแต่เริ่มรู้สึกว่าจิตแยกออกจากกายรู้สึกว่ากายเป็นคนละส่วนกับจิตเริ่มเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นคนละส่วนกับจิต รู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแบบนี้พอจะระสังโยชน์ข้อที่หนึ่งความเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราได้หรือยังคะหรือว่าควรต้องฝึกอย่างไรต่อไปคะต้องไม่เท่า ก, กับร่างกายเมื่อมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่เดือดร้อนอย่างมันปัยมันแก่ปัมันเจ็บปัมันตายได้ <c oughs> จากทางเฟซบุ๊กสั้งค่ะ กรับนมันสการถามพระอาจารย์ว่าในขณะที่ทำงาน เมื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามาพูดแล้วเราก็โต้อตอบไปสักพักใจก็เห็นว่ามีอีกสิ่งหนึงที่เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆแล้วดูอาการที่มีการโต้อ ต, อตอบกับเพื่อนไปพร้อมกันสิ่งที่รู้เฉยๆนั้นคือผู้รู้ใช่หรือเปล่าคะและสิ่งที่โต้อตอบกับเพื่อนได้ในขณะเดียวกันคือขันห้าหรือเปล่าคะกคลับศาสถูกค่ะเวลาโต้อตอบกนก็ต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่ง เวลารู้เฉยๆก็แือว่าจิตจิตรู้จิตเป็นผู้รู้จิตเฉยก็แสดงว่าจิตสงบจิตไม่มีอาการที่จะตอบโต้กับใครเราต้องการให้จิตสงบจิตไม่ตอบโต้กับใครให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆใครดา่รดาก็เฉยใครชมก็เฉยโดยที่เราไม่ต้องไปโต้ตอบใช่ไหมคะให้รู้เฉยๆเหมือนเหมือนกระจกเนะีกระจกเงาวเวลาเราไปยิ้มให้มั น, ม, นมันทําอะไรมับกบลับหรืเปล่า เวลาไปดา่ากระจกเงาไปทําอะไรรึเปล่ามันก็มันก็สะท้อนภาพที่เราด่าให้มังกลับมาหาเราท่านเองนะทําใจให้ผู้รู้ให้เป็นเหมือนกระจกคือเฉยเฉยสะท้อนภาพตามความเป็นจริงเขาด่าก็สะท้อนรับรู้ว่าเป็นเขาดา่าเขาชมก็รับรู้ว่าเขาด่าตามความเป็นจริงแต่ไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจอันนี้แหละทะยารุด้นได้ คุณจรัญญาค่ะถามเขามาว่าการที่เรากลับไปคิดถึงอดีตที่เรามีอารมณ์ไม่พอใจคนมัวเรียกว่าอยู่ในความหลงหรือเปล่าคะไม่มีสติย้ำ ย, ยังเลยพยายามเพราะรู้ว่าคิดถึงอดีตแล้วก็ใช้พุทโธเดินกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธไปสักพักมันก็จะเลย อ, อดีตไป ทาง YouTube เจ้าค่ะกลาบนาัสกามพระอาจารย์บุญและบาปที่สะสมมานั้นจะสะสมและบันทึกไว้ในที่ใดครับขอกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอยู่ในจิตนั่นแหละยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้นะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่อีกเล็กน้อย ถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วต้องขออภัยว่าไม่สะดวกที่จะตอบถ้าอยากจะถามอะไรถามได้ตอนนี้เลยจะได้รับคำตอบเพราะมีไมโครโฟนพูดถ้ามาถามตอนเลิกแล้วไม่มีไมโครโฟนเสียงราเบาแล้วก็มีแรงที่จะพูดดังๆคำถามจากยูทูบโซอ่ากระาบเรียนถามพระอาจารย์ อารมณ์กโกรธขี้น้อยใจต้องแก้ด้วยธรรมะข้อได้ครับอาจารย์ต้องแก้ด้วยคาาวามใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดที่เราน้อยใจเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เลยน้อยใจขึ mm ้นมาอย่ากให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราก็น้อยใจเสียใจ mm hmm. ถ้าเราสันโดษเฉยๆยังไงก็ได้รักก็ได้ไม่รักก็ได้ mm hmm. เราก็จะไม่เสียใจต้อง mm hmm. ตัดความอยากของเรา ความอยากนี่ยเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจในรูปแบบต่างๆเสียใจบ้างาอิจฉาลิษยาบ้างโกรธบ้างอันนี้มาจากความอยากเพราะนั้นไม่ได้ดังใจอยากก็เลยโกรธไม่ได้ใจดังใจอยากก็เสียใจน้อยใจไม่ได้ดังใจอยากก็อิจฉาริษยาเ<ๆ>น้นถัาทใจให้เป็นสันโดษคาสันโดษแปลว่าตามมีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดได้มากก็ยินดีได้น้อยก็ยินดี ไม่ได้ใจก็ยินดีอย่างนี้จะไม่เสียใจจะไม่โกรธใครคำถามจาก u ู u ูบเบอ่ะกราดธรรมชากพระอาจารย์อ๋ออันนี้คำถามอ่านไปแล้ระอา จ, จารย์เขอาไปค่ะยังไม่มีคำถามใหม่เข้ามาใค่ะหมใครอยากจะถามไหมเขาจะปิดประชุมแล้วนะ <c oughs> ให้โอกาสน้ำหนึ่งถึงสาม ขอขอทางเฟซบุ๊กอีกคำถามนะคะวิธีขจัดการราคะที่ได้ผลดีที่สุดมีวิธีใดครับก็สุภะเนี่ยอยู่ซากศพคิดถึงคนที่เราอยากจะไปนอนด้วยเป็นซากศพล้วก็จะไม่อยากจะนอนนะตั้งเกิดแฟนเราตายไปคืนนี้แล้วคืนนี้เราจะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าหรืส่งให้สับปเปลอเยกให้สับปเปลอไปเลยเรคิดว่าเป็นซากศพเราก็จะไม่มีความอยากอย่างเนี้น อ่เชิญถามได้ครับขอความไม่ตาขอควะมไม่ต า, อาข อ, ขอขาไม่ตาพระาอาจารย์ออธิบายเรื่องออุกหานิมิตปฏิภาคมิมิตอะไรเงี้ยครับที่ว่าเป็นเออ่ต้องมีปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นมันเป็นดวงกลมย่อขยายอะไรเงี้ยจําจเป็นไหมไหมครับในการนสนใจในตอนนี้กา ร, รที่ทําจิตให้ว่างก่อนทำจิตให้สงบก่อนอ๋อครับนิมิตนี่มันเป็นของที่ มันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดอ๋อไม่ไม่ใช่เป้าหมายใช่ไหมครับไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือความนิ่งความสงบความว่างครับครับขอบพระคุณครับอืมอีกคำถามมาครับป้าจา่าถ้าผู้กระสินสีนี่มีประโยชน์หรือมีโทษยังไงบ้างไหมครับอะไรนะกระสินสีครับกระ ส, ส, สินก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งครับบางคนไม่ชอบดูลมก็ชอบดูสีก็ได้อันนึกสีเขียวขึ้นมาในาใจอย่างนี้ ครับตาแล้วก็นึกานึกสีเขียวให้มันเต็นขึ้นมาในจอใจแทนที่จะดูลวก็ดูสีแทนแล้วจุดปลายทางให้ผลเหมือนหรือต่าง<ม>อะไรกับอนาปาสติหรือพุทโธอย่าง้ไหมครับไม่<ผ>มไม่ต่างเหมือนกันจิตสงบเป็นสมาธิเหมือนกันครับขอบคุณครับพระอาจาย์มีไหมมีทางเฟกบุ๊กค่ะพระอาจารย์ ปัญหาเกิดจากการหลงว่าร่างกายนี้เป็นของเราใช่ไหมคะปัญหาความอยากนี่เลยใช่ไหมค่ะปัญหาปัญหาเกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขอยู่กับตัวเองอยู่ที่ความสงบเลยไปอยากหาความสุขจากสิ่งภายนอกอยากหาความสุขจาก เ, เสียงกลิ่นแล้วพอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราเราก็หยุดปัญหาความอยากได้ล้วก็จะอยู่กับความสงบ ที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนถ า, น า, านวรเจ้าค่ะจาก Facebook ค่ะกราบค่ะงานอาสาทำกับผู้ป่วยและงานบริการในโรงพยาบาลสามารถอุทิศกุศลนี้ให้บรรพบุรุษของเรา บ, บรรพบุรุษลูกหลานได้ด้วยไหมคะก็แล้วแต่ว่าทำแล้วใจมีความสุขหรือไม่ถ้าใจเราไม่สุขมันก็อุทิศไม่ได้ ถ้าใจทำแล้วใจมีความสุขก็อุทิศได้วันนี้ทำด้วยควมจำใจมันไม่มีความสุขเอมันมันก็อุทิศไปก็ไม่มีความสุขบุนคือความสุขใจเอเมนมันต้องเป็นความสุขใจเราทำาแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนั้นเราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วไนดะ้ใช่ค่ะ คุณพัทลินค่ะการนั่งสมาธิต้องนั่งในท่าขัดสมาธ์เท่านั้นหรือสามารถนั่งพับเพียบได้คะได้ทุกท่านนะแล้วแต่เราจะถนัดแต่ท่าที่ดีที่สุดก็คือนั่งท่าขัดสมาธ์แต่ถ้าเรานั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งท่าไหนก็ได้ขอให้นั่งให้เราใจนั่งกายนิ่งๆไม่ขยับก็แล้วกัน y ยูทูบใช่ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การที่จะเห็นการเกิดการดับของร่างกายต้องฝึกกําลังสติกําลังสมาธิระดับใดคะ อ, อ๋อไม่ต้องหรอกนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าร่างกายัเกิดมาจากท้องแม่แล้วเดี๋ยวก็ไปตายที่วัดกันก็คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆคิดว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปัญหามันอยู่ที่เรามักจะลืมกันลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายพอเจอความแก่ให้ตกใจให้เราต้องแก่ด้วยเหรอ พอเจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่อยๆก็ตกใจพอเจอความตายยิ่งตกใจใหญ่แต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆถอนใจอยูเรื่อยๆว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็จะรู้ค่อยๆ ย, ยอมรับความจริงแล้วเวลาเจอความจริงมันก็จะไม่ตกใจมันก็จะสงบมันก็จะตายอย่างสบายเจ็บอย่างสบายเฟซบุ๊กเจ้าค่ะถ้ามีผู้ ประสงค์ร้ายเมียดเบียนกับเราไม่หยุดควรทำอย่างไรคะแผงเมตตาให้อภัยเข้าไปอย่าไปตอบโต้เขาคิดว่าเป็นการใช้บุญใช้กรรมไปอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราที่มาตามล้างผลานเราแล้วก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปจองเวรจองกรรมกันหมดแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะโอเคเอาเท่า น, นี้ก่อนสาหรับวันนี้าคาถามสุดท้าย อ, อความเมตตาพระอาจารย์ครับในอนาปานัสตินครับถ้ากําหนดลมยาวเข้าออกรู้ลมรู้ลมยาวเข้าออกรู้ลมสั้นเข้าออกอทําลมให้ระ ง, งับอะไรเงี้ยครับจนไปถึงที่ท่านบรรยายว่าในจตุกระที่สองนั่งของกําหนดรู้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ครก็หมายความว่าพอเราทําสมาธิได้ดีเนี่ยอนาปานัสติรู้ลมจนจนจิต ใ, ใจตั้งมั่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปิติเป็นความสุขใช่ไหมครับ แล้วก็หมดรู้ตัวนั้นต่อไปทีนี้ที่ตสส้องใสยคือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดทำสมาธิถูกสติดีเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นแต่สุขเวทนาเป็นหลักใช่ไหมครับพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดนั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยเป็นทุกขเวทนานะหมายว่าสติสมาธิเราไม่ตั้งมัน่นอย่างนี้ผมว่าใจถูกไหมครับคือมันควรจะไปในทางสุขเวทนาเป็นหลักางานเดียว คือถ้าจิตมีสติมันก็จะสงบเร็วครับแล้วมันก็จะไม่รับรู้เรื่องความเจ็บของร่างกายนะครับถ้ามันไม่มีสติมันสงบช้าความเจ็บมันขึ้นมาเร็วก็ได้ขึ้นมาก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าสงบดีมัเหมือนไปรวมจิตอยู่ยที่จิตอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสนใจร่างกาย ถ, าถูกถูกใช่ไหมครับจองจิตก็จะวางเฉยได้ไม่รู้ไปขาครับแต่ทีนี้ระยะเวลาของการนั่งเนี่ยมัน มันีผลก็การพัฒนาจิตนะครับเช่นว่าควรจะนั่ง1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ได้ว่าพัฒนากําลังสติสมาธิเรื่อยหรือว่าควรจะสักชั่วโมงเดียวก็พอแล้วเลิกนั่งแล้วก็ไปทำอื่นต่อแล้วมานั่งใหม่ครับควรจะทําวันทั้งวันทั้งคืนเลยทำให้มากที่สุดนะอ๋อครับให้จิตมีความสงบมี ว, วิปัสสาตลอดทั้งวันทั้งอ๋อครับแต่ถึงแม้จะไปสวยสุดคุยทนามันก็มีกําลังอยู่ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยเช่นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งผ่านไปอาจจะกกลับมารู้สึ ร่างกายจะปวดได้ก็เป็นปกติใช่ไหมครัทีนี้ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราควรเอเปลี่ยนอียาบทไหมครับอาจารยหรือว่าทนมันต่อไปครับก็แล้วแต่เราถ้าเราทํา ง, งานทดสอบจิตใจเรารให้อยู่กับทุกขเวทนาเราก็ใช้สติครับควบคุมใจให้นึ่งแล้วก็ปล่อยให้สติมันให้ความจิตมันเกิดขึ้นดับของมันเองจอ๋อครั บ, รบถ้าเป็นไม่ได้ควรจะทนมากกว่าใช่ไหมครับควรจะปล่อยวางให้มันเกิดขึ้นตั้งดับตั้งอยู่แล้วดับไปเอง อ๋ขอขับขขอบพระคุณครับพอาจารย์ครับอ่าสาเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็อขอให้ท่านตรงนำเมาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิุ